การพิจารณาตามทางที่ท่านแสดงดังนี้ย่อมเป็นทางเจริญปัญญาเรนโดยเฉพาะเรียกว่าเป็นทางมีปัสสนา ทางนี้ให้เกิดปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงกันจะทำให้จับสัจจากความจริงที่เป็นตัวเป็นเหตุเป็นเป็นผลได้แม้การที่ปฏิบัติ ทมสติหรือว่าตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นตัวสติปัฏฐานทุกข้อก็เป็นการพิจารณาจับเหตุจับผลแต่ละข้อเช่นเดียวกัน ทำให้ได้สมาธิื่อทำให้ได้ปัญญาเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสไปได้โดยลำดับต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม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 ได้แสดงพระเถราธิบายข้อสมาทิทิความเห็นชอบมาโดยลำดับได้แสดงอธิบายในข้อ ในข้อที่แสดงถึงเหตุปัจจัยเมื่ออวิชชาเกิดอาสวะเกิดเมื่ออาส ว, วะเกิด อ, อ, ว, ดอวิชชาเกิดเมื่ออวิชชาเกิด สังขารเกิดเมื่อสังขารเกิดวิญญาณเกิดและในวันนี้จะได้แสดงที่บายต่อไปเมื่อวิญญาณเกิดนามารูปก็เกิด ในข้อวิญญาณนี้ที่ได้แสดงอธิบายมาแล้วในประเทศอธิบายก็ยกเอาวิญญาณหกซึ่งเป็นวิถีวิญญาณคือวิญญาณในวิถีคือในทางของ ภาจตนาภายในภายนอกทั้งหกส่วนในบางพระสูตรโดยเฉพาะมหาอิทธานสูตรพระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงถึงปฏิสนธิวิญญาณรวมเข้าด้วยและก็ได้มีพระพุทธธทิบายในพระสูตรนั้น ว่าเมื่อวิญญาณเกิดนำ ม, มารูปก็เกิดอย่างไรโดยที่ได้ดแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายโดยทรงตั้งเป็น พระพุทธปุจชาคือเป็นคำถามภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อวิญญาณไม่ยังลงคือไม่ เป็นไปไม่ปฏิสนธิในคันของมารดานามรูปจากก่อตัวขึ้นในคันของมารดาได้หรือไม่ ภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบทูลว่าไม่ได้และก็ได้มีอธิบายในคำที่ว่าจะก่อตัวขึ้นได้หรือไม่ก็หมายถึงว่าจะก่อตัวขึ้นโดยเป็นกร ล, ละเป็นตน้นนั่นเอง เมื่อรวมพระพุทธบุจรชาและคำกราบทูลตอบของภิสุทั้งหลายเข้าด้วยกันก็รวมความเข้าว่าในการถือกำเนิดเกิดกอ่อของ เด็กชายหญิงตั้งต้นขึ้นในคันของมันดานั่นแต่หากว่าวิญญาณไม่ก้าวลงคือไม่เป็นไปดังที่เรียกว่า ไม่ถือปฏิสนธิหรือปฏิสนธิบินไม่เข้ามานามารูปก็จะก่อตัวขึ้นโดยเป็นกระละเป็นต้นหาได้ไหม ได้มีพระพุทธปุทฉาต่อไปอีกว่าเมื่อวิญญาณยังลงดังที่เรียกว่าถือปฏิสนธิในรันของมันดาแล้วหากว่าดับไป เคลื่อนไปนำ ม, มารูปจากบังเกิดจะเริ่ขึ้นต่อไปได้หรือไม่พิกสุทั้งหลายก็กลาบทูลว่าไม่ได้รวมพระรวมพระพุทธปุทธชา และคำกราบทูลตอบเข้าก็ได้ความว่าแม่วิญญาณจะปฏิสนธิในรันของมารดาเริ่มก่อตัวเป็นนามารูปขึ้นแล้ว แต่ถ้าหากว่าวิญญาณที่เขาถือปฏิสนธินั้นจุติคือเคลื่อนออกไปดับไปนามาูปแม้จะก่อตัวขึ้นก็จะไม่บังเกิดเจริญเติบโตขึ้นต่อไป ได้มีพระพุทธปุดฉาต่อไปอีกว่าแม้เมื่อเด็กคลอดออกจากคันของมารดานแล้วเป็นเด็กหญิงเป็นเด็กชายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นแล้วหากวิญญาณ ดับไปขาดไปนามารูปจัดดำรงต่อไปได้หรือไม่พิสุท์ทั้งหลายก็กลาบทูลว่านามารูปก็จัดดำรงต่อไปไม่ได้ก็จะต้อง ดับต้องแตกสลายรวมความเข้าแล้วก็ได้ว่าแม้เมื่อคลอดออกมาเป็นเด็กชายหญิงแม้เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหากวิญญาณขาดไปดับไปเสียเมื่อใด นา ม, มารูปกก็แตกสลายเมือนนั้นปิญญาณยังอยู่นามะรูกกดดันงอยู่ก็ได้มีพระพุทธอธิบายโดยทรงตั้งเป็นพุทธปุชชาขึ้นเพียงเท่านี้แม้เพียงเท่านี้ก็ยอมทำให้เข้าใจต่อไปได้ทั้งหมดว่า แม้เมื่อเด็กชายหญิงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เมื่อวิญญาณยังเป็นไปอยู่นามารูปนี้ก็เป็นไปอยู่เมื่อวิญญาณนี้ดับ หรือเคลื่อนไปที่ประจุตินา ม, มารูปนี้ก็าจักขาดจักดับก็เป็นไปตามพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นแล้วว่ากายนี้ไม่นานหนอจากนอนทับแผ่นดินมีวิญญาณไปปราศคือปราศจากวิญญาณ ถูกทอดทิ้งเหมือนอย่างท่อนฟืนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นวิญญาณตามระพุท ธ, ธาธิบายนี้จึงเป็นวิญญาณที่มักจะเรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่ว่า มักจะเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็จะเพาะเมื่อแรกปฏิสนธิส่อสนธิคือทีแรกนั่นแล้ววิญญาณนั้นก็ยังดำรงอยู่และท่านยังมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าพวังขจิตพระอาจารย์ ผูแสดงอธิบายพระสูตรท่านใช้คำเรียกอย่างนั้นและก็อธิดาก่าได้อธิบายถึงถึงนามรูปจะนอธิบายรูปเป็นกรร ม, มชรูปรูปที่เกิดจากกรรมเป็นต้นตามนยยะในปีธรรมเมื่อรู้ความเขาแล้ว ก็คือว่านามรูปนี้ที่ยังดำรงชีวิตยอยู่จะต้องมีวิญญาณหรือมีจิตหรือมีวิญญาณธาตุคือธาตุรูปตั้งอยู่เมื่อ วิญญาณธาตุหรือจิตหรือวิญญาณดังกล่าวจุติคือว่าเคลื่อนไปดับไปนามารูปนี้ก็แตกสลายเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นนามารูปยังเกิดหรือเพราะนามเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปยังมันเกิดขึ้น ดังนี้ตามพระพุทธอธิบายอันหนึ่งอธิบายได้โดยทางวิถีวิญญาณคือวิญญาณที่บังเกิดขึ้นตามวิถีคือตามทางของอาจฉริะภายในภายนอกทั้งหกที่มาประจบกัน เป็นจักขู่วิญญาณรู้รูปทางจักสุขก็คือเห็นรูปโสตวิญญาณรู้เสียงทางหูก็คือได้ยินเสียงคานะวิญญาณรู้กลิ่นทางจมกูกคือทราบกลิ่นคิวหาวิญญาณ รู้รสทางลิ้นคือทราบรสกายวิญญาณรู้ผลภระสิ่งที่กายถูกต้องทางกายคือทราบสิ่งถูกต้องและมโนวิญญาณคือรู้เรื่องราวทางมโนคือใจก็ต้องมีวิญญาณ นี่บังเกิดขึ้นก่อนนา ม, มารูปจึงบังเกิดขึ้นอันหมายความว่าส่วนที่เป็นรูปก็ปฏิบัติหน้าที่ของรูปส่วนที่เป็นนามคือ เวทนาสัญญาสังขารก็บังเกิดขึ้นสืบต่อจากวิญญาณเป็นไปตามประเทราธิบายนั่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวิญญาณบังเกิดขึ้นก่อนนำมารูปจึงบังเกิดขึ้น ในข้อนี้ก็เพิ่งทาความเข้าใจง่ายๆว่าในเบื้องต้นนั้นทุกคนจะต้องเกิดวิญญาณขึ้นก่อนตามวิถี จะต้องเห็นรูปต้องได้ยินเสียงต้องได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบโลิตภาและได้คิดได้รู้เรื่องทางมโนคือใจและเมื่อเป็นดังนี้นามคือเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายจึงบังเกิดสืบต่อกันไป และรูปจึงปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามนามเวทนาสัญญาสังขารนั้นสืบต่อไปสหากว่าไม่มีวิญญาณคือไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงเป็นต้น นามรูปก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่คือไม่บังเกิดเป็นนามารูปขึ้นและข้อที่พึงหยิบยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดขึ้นไปอีกก็คือตัวจิตกับอารมณ์ จิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆดำริไปในอารมณ์ต่างๆคลุ้นคิดไปในอารมณ์ต่างๆ ก็ต้องมีอาศัยวิญญาณมังเกิดขึ้นก่อนและการที่จะทำความเข้าใจในข้อนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจในข้อนามารุป อีกสักหน่อยหนึ่งคำว่นนาน้มนั้นเข้าใจกันง่ายๆ<ม>ก็คือม่ใช่รูปศักทว่าเป็นชื่อเรียกขึ้นในสิ่งที่ไม่มีรูป คือมีแต่นามไม่มีรูปส่วนที่เป็นรูปนั้นก็คือที่เป็นวัตถุอันเป็นรูปอย่างหยาบ่แหละที่เป็นตัวที่ตั้งของจิตแม้ไม่คิดรูป ที่กำหนดของจิตแม้ไม่ใช่รูปก็เขายืมคำว่ารูปมาเรียกด้วยเช็นคำว่าปิยรูปสาจรู ป, ร, ป, ป ร, รูปที่เป็นที่รับรูปที่เป็นที่พอใจสำาราญใจอันหมายถึง ทุกๆสิ่งที่จิตกำหนดถึงก็คือตัวอารมณ์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนรูปหรือเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนทรรคือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่รูป แต่ว่าเป็นสิ่งที่จิตกำหนดถึงจิตคิดถึงอันเป็นส่วนที่รักใครเป็นส่วนที่ชอบใจสำรัญใจก็เรียกว่าปิยรูปสาตรูปได้เขายืมคำว่ารูปมาใช้เรียกได้ทั้งหมด และโดยเฉพาะส่วนที่เป็นอารมณ์ของจิตนั้นคือเป็นตัวเรื่องไม่ใช่เป็นตัววัตถุโดยตรงเป็นตัวเรื่องเป็นเรื่องของวัตถุก็ได้ เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ ก, ก็ได้คือเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตครุ่นคิดถึงหรือหมกมุ่นถึงอันเรียกว่าอารมณ์อารมณ์นี่แหละซึ่งเป็นที่รักใคร่ที่พอใจสำารันใจ ก็เรียกว่าปีญรูปสารรูปได้คือเป็นสิ่งรูปก็คือเป็นสิ่งสิ่งที่จิตคิดดาริหมกมุ่นถึงอันเป็นที่ชอบใจสาราญใจพอใจก็เป็นปียรูปสารรูปคำว่ารูปยังมีความหมายที่เป็นวัตถุโดยตรงหรือหมายถึงสิ่งที่จิตกําหนด ถึงหมกวุ่นถึงอันเรียกว่าอารมณ์ดังกล่าวนี่เป็นตัวอารมณ์และเมื่ออาจตนาภายในภายนอกมาประจวบกันก็ ออกจากาวังน้อมออกไปรับอารมณ์คือไปรับเรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของผทัพะของธรรมะคือเรื่องราวนั้นเข้ามาตัวรูปจริงๆ เลียงกลิ่นรสพลทตภจริงๆเป็นวัตถุย่อมเข้ามาสู่จิตซึ่งไม่ใช่วัตถุเพราะจิตไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานดังที่มีพระพุทธภาสิทตรัสไว้ว่าอสสรีรังไม่มีสรีระรูปร่างสันฐาน แต่มีกายนี้เป็นที่อาศัยวัตถุเข้ามาสู่จิตไม่ได้สิ่งที่เข้ามาสู่จิตได้ก็คือตัวอารมณ์คือเป็นเรื่องเรื่องของสิ่งเหล่านั้นธรรมอารมณ์อารมณ์คือเรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้น ที่ประสบพบผ่านมาแล้วเป็นต้นก็เหมือนกันไม่ใช่วัตถุก็เข้าสู่จิตได้เข้าสู่จิตในฐานะเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องเช่นเดียวกัน อารมณ์คือเรื่องที่จะเข้าสู่จิตได้นี้ก็จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วิญญาณเช่นเดียวกันคือจะต้องเกิดวิญญาณขึ้นก่อน อารมณ์ทั้งหลายจึงจะเข้าสู่จิตได้และจิตนี้ท่านได้มีแสดงอธิบายไว้ในอภิธรรมว่าจิตที่เป็นตัวจิต